เสียงเพลงจากหมู่บ้านนะที่เราได้ยินนะบ่งบอกว่าชาวบ้านนะกาลังมีความสุขนะกำลังมีความรื่นเริงนะเสียงแบบนี้นะเราคงจะได้ยินนะเกือบทุกคนทุกแห่งในช่วงนี้นะซึ่งเป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุข ผู้คนต่างก็ปรารถนาความสุขอยากจะตักตวงความสุขในช่วงเวลาที่ถือว่าพิเศษความปรารถนาความสุขโดยเพราะในช่วงนี้ก็ชักนำให้ผู้คนเดินทางกันไปหลายที่ทีเดียวนะตั้งแต่เหนือใต้ออกตกนะ เมื่อตอนบ่ายก็มีโยมมาเยี่ยมแล้วก็ว่าจะไปเชียงคานนะตอนนี้ก็คงจะนึกภาพออกนะเชียงคานนี่คงจะมีผู้คนนะไปกันมากมายทีเดียวแต่คงจะน้อยกว่าผู้ทับเบิกนะซึ่งตอนนี้คงจะมีคนเป็นหลายพันแล้วนะอันนี้ก็เพราะว่าผู้คนนะมีความรู้สึกอย่างเดียวกันนะคือปรารถนาความสุข แลยิ่งในเฉพาะเทศกาลแบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นช่วงพิเศษที่ต้องนะหาความสุขให้กับตนเองถ้าเป็นธรรมดานะคนเราเนี่ยก็รักสุขนะแล้วก็ไม่ได้รักสุขอย่างเดียวเกลียดทุกข์ด้วยความรักนะรักสุขก็ทำให้ผู้คนนะทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ถือว่าเป็นความพิเศษ บางคนก็อยากจะไปกินอาหารที่อร่อยนะอยากจะพาคนรักไปสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆถึงแม้จะไม่ใช่เป็นช่วงเทศกาลพิเศษอย่างเช่นนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สิ่งที่ขับเคลื่อนผู้คนเรียกว่าแทบทั้งโลกเลยนะให้ทำอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่ทำอะไรบางอย่างก็ ก็คือความรักสุขเกลียดทุกนี่แหละจะเรียกว่าโลกนี้หมุนได้นะก็เพราะว่าความรู้สึกที่ว่ารักสุขเกลียดทุกข์ทำให้ผู้คนขยันขันแข็งนะทรมาหากินนะพยายามที่จะเรียนในคณะที่ คิดว่าจะทำให้มีอนาคตพยายามหางานที่ทำให้รู้สึกมั่นคงนะอันนี้ก็เป็นส่วนของความรักสุขเกลียดทุกข์นะเพราะความเกลียดทุกข์แล้วก็เช่นเดียวกันก็ทำให้นะผู้คนต้องขยันขันแข็ง กลัวยากจนกลัว ค, ความหิวโหวยมันก็เป็นแรงจูงใจที่ทําำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์มากมายที่เรียกว่าความก้าวหน้าเช่นเรื่องยารักษาโรคสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับปัจจัยสี่ข้าวปลาอาหารเครื่องนุ่งห่ม รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นที่อาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งจําเป็นนะสารชีวิตนะแต่มันก็ทําให้ไกลาจากความทุกข์ได้อาทิแม้กระทั่งพี่พวกเรามาถึงนี่นะเชืนะ่อว่าส่วนนี้ก็เพราะความรักสุขเกลียดทุกข์นี่แหละชีวิตมีความทุกข์นะแล้วก็อยากจะหาทางออกจากทุกข์เพียงแต่ว่า การออกจากทุกข์หรือว่าการหาทางหนีให้ไกลทุกข์เนี่ยพวกเราอาจจะต่างจากคนส่วนใหญ่ก็ว่าได้นะคนส่วนใหญ่ก็เข้าหาความสนุกสนานความรื่นเริงหรือบางทีก็เข้าหาเสียงเพลงดนตรีไปจนถึงอบายามุขนะอันนี้ก็เป็นการเหมือนกับว่าทาให้ลืมความทุกข์ไปชั่วคราวก็เป็นการหนีทุกข์แบบหนึ่ง แต่พวกเรานะต้องการที่จะหนีทุกข์ด้วยการที่กลับมาที่ตัวเองกลับมาหาความสงบภายในมันก็มีประโยชน์นะให้ความรักสุขเกลียดทุกข์เนี่ยแต่ก็มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะความรู้สึกแบบนี้มันก็ทาให้เกิดปัญหานะกับจิตใจของเราไม่น้อยทีเดียว พอเมื่อเรารักสุขแล้วเนี่ยเมื่อสุขมันไม่เที่ยงสุขมันแปรเปลี่ยนไปนะสิ่งที่ตามมาคือความทุกข์นะเพราะว่าความรักของผู้คนเนี่ยมันมักจะตามมาด้วยความยึดติดนะเมื่อรักสุขนะก็อยากได้สุขมากขึ้นหรือว่าอยากให้สุขเนี่ยมันคงอยู่ต่อไปพอไปเที่ยวแล้วนะ มีความสุขกับสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจอาหารที่อร่อยนะแต่พอถึงเวลาต้องเดินทางกลับจิตใจก็เริ่มห่อเหี่ยวละหรือว่าพอช่วงเทศกาลปีใหม่มันยุตินะวันรุ่งขึ้นต้องไปทำงานละหลายคนก็จะรู้สึกนะห่อเหี่ยว เพราะว่าเพลิดเพลินในความสุขเนี่ยแล้วก็เลยยึดนะเลยติดมันพอมันแปลเปลี่ยนไปนะซึ่งมันเป็นธรรมดาโลกก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือว่าพอได้มาแล้วเนี่ยอยากได้อีกอยากได้มากขึ้นนะไม่ว่าสุขนั้นจะมาในรูปของเงินมาในรูปของความสนุกสนานหรือว่า วัตถุสิ่งของนะที่ทำให้เกิดความสุขได้แล้วทีแรกก็ดีใจแต่สักพักก็เริ่มเบื่อนะไอความสุขมันจืดจางไปของก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะเสื้อผ้าโทรศัพท์รถยนต์ หรือว่าเพชรพลอยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าความสุขมันตืดจางก็อยากได้อีกอยากได้ใหม่อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้คนจานวนมากนะถ้าเราถ้าความสุขเนี่ยมันมันคงที่หรือว่ามันไม่แปรเปลี่ยนมันเป็นนิรั น, นก็น่าจะรักสุขให้มากๆนะ แต่เพราะความสุขเนี่ยมันไม่เที่ยงนะยิ่งถ้าเป็นความสุขที่เป็นวัตถุสิ่งของแล้วเนี่ยซึ่งใครก็ขโมยได้แย่งชิงไปได้เนี่ยมันก็ยิ่งเสี่ยงนะต่อความทุกข์มากขึ้นผู้คนจานวนมากนะก็มีความทุกข์เพราะรักสุขนี่แหละสุขนั้นอาจจะเกิดจากคนรัก พ่อแม่ลูกหลานคู่ครองเขาให้ความสุขกับเรามากเลยเ็าให้ความอบอุนกับเรามากเลยเรารักเขามากแต่เมื่อถึงวันที่เขาเจ็บป่วยหรือล่ล้มหายตายจากไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความทุกข์นะยิ่งรักมากเท่าไหร่ก็ทุกข์มากเท่านั้นมันเหมือนกับว่า บางสิ่งบางอย่างหายไปจากชีวิตจิตใจของเราถ้าลองพิจารณาดูนะไม่ว่าเราสิ่งอะไรก็ตามที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันเป็นต้นตอหรือที่มาขอางความทุกข์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นข้าวของทรัพสมบัติหรือว่าเป็นคนรักหรือแ ม, แม้แต่ร่างกายของเรา ร่างกายที่เคยให้ความสุขกับเรานะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความปกติสุขหรือว่าใช้ร่างกายนี้ในการที่จะแสวงหาความสุขอย่างอื่นเช่นความสุขท้งโลกใช้ร่างกายนี้ในการเที่ยวในการเล่นในการเสพสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกเล่นกายและพอถึงเวลาที่ร่างกายมันเสื่อมโทรมไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้ เพราะแก่หรือเพราะพิพ ก, การเนี่ยก็กลายเป็นทุกข์ทรมานเลยหรือว่าไอ้ร่างกายเนี่ยนะมันเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานะปวดปวดที่ท้องปวดที่ลำไส้ปวดที่ปอดนะปวดที่หัวใจนะมันก็กลายเป็นเหมือนกับเข็มที่คอยทิ่มแทงเราแล้วมันหนีไม่ได้ซะด้วยนะเพราะมันอยู่กับเรา นั่นแดดร้อนนี่ยังนี้ไปหาที่ที่สงบเย็นได้ที่ที่ไหนเย็นมากๆหนาวมากๆก็หลบไปหาที่ที่มันอบอุ่นได้แต่ก็นั่นแหละนะมันก็ไม่จริงรังแต่ว่าร่างกายที่เจ็บป่วยเนี่ยมันเรียกว่ามันตามติดไปตลอดอะไรที่ให้ความสุขกับเราในวันนี้วันหน้ามันสามารถจะกลายเป็น ที่มาแห่งความทุกข์ได้งั้นถ้าเราลักความสุขที่เกิดจากอะไรก็ตามเนี่ยในวันข้างหน้าก็จะกลายเป็นทุกข์บางคนก็เห็นว่าความสุขที่ดีนะคือความสงบนะไม่ใช่ความอื อ, อกระทึกคลื่โครนนะอย่างที่เราได้ยินนะจากหมู่บ้านนะตอนนี้นะบางคน ต้องการความสงบก็มาที่วัดนะเพราะปรารถนาความสงบแล้วเมื่อได้พบความสงบก็มีความสุขนะแต่แเราก็พบว่าไอ้ความสงบที่ปรารถนาเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงอุตสาห์มาถึงนี่ก็ยังมีเสียงดังนะนะเสียงเพลงมารบกวนแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียงนี้มันจะดังไปถึงไหน นะอาจจะถึงกลางอาถึงกลางดึกก็ได้หรืออาจถึงลุ่มเช้าก็ได้นะยิ่งมายิ่งรักความสงบนะก็ยิ่งทุกข์นะเพราะว่าความสงบมันหายไปนะ น, นี้เป็นธรรมดาโลกนะ เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราให้เราเราลึกไว้เสมอว่าไอ้ความรักสุขเนี่ยนะมันสามารถจะเป็นตัวการที่ทำให้ทุกข์ได้ พราะว่าสุขที่เรารักเนี่ยไม่ว่ามันจะมันจะมาในรูปใดก็ตามมันก็รู้แล้วแต่ไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นถ้าจะรักก็รักพอรักพอดีพอดีนะอย่ารักมากไม่งั้นก็จะผิดหวังนะเมื่อสิ่งนั้นมันแปลเปลี่ยนไปในทนมงเดียวกันเกลียดทุกนะเกลียดทุกเนี่ยนะมันก็มี มันก็มีข้อดีนะเพราะว่าเมื่อเกียดทุกข์ทำให้เราอยากจะหนีความทุกข์อย่างที่บอกไว้แล้วว่าพอเราอยากจะหนีความทุกข์มันทำให้เร า, เ, าเกิดความขนขวายเช่นขยันเรียนหนังสือจะได้พ้นจากความยากจนนะจะได้พ้นจากความยากลาบากนะหรือว่าดูแลรักษาตัวเอง เพื่อจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะแต่ว่ามันก็เป็นโทษเหมือนกันนะมันก็เป็นโทษเหมือนกันจริงอยู่นะเพราะว่าอย่างที่บอกไว้แล้วความเกลียดทุกข์มันทำให้หลายคนเข้าหาธรรมะมาปฏิบัติธรรมนะบางคนมีความทุกข์ใจเพราะว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายโรคมะเร็ง บางคนทุกข์ใจเพราะว่าธุรกิจล้มละลายเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะนะไม่มีทางออกไม่มีทางไปก็เข้าหาธรรมะนะมาปฏิบัติธรรมนะมาวัดก็ได้พบกับความสงบนะเป็นความสงบที่ใจซึ่งไม่เคยนึกว่ามันจะมี คุณค่าอย่างนั้นนีหลายคนบอกขอบคุณนะขอบคุณโรคมะเร็งขอบคุณวิกฤตเศรษฐกิจขอบคุณที่ธุรกิจล้มละลายบางครั้ขอบคุณลูกด้วยนะลูกที่ขับสายไล่สงนะอุตส่าห์เลี้ยงดูลูกแต่ลูกเนี่ยพอแม่พ่อยามแก่นะลูกไม่สนใจนแม่ก็เลยไม่มีทางไปเจ็บเจ็บช้ำน้ําใจก็เลยมาวัดพอมาวัดได้พบธรรมะ อันนี้เพราะว่าความรังเกยียจทุกเนี่ยมันผลักดันให้เราเนี่ยได้มาเจอของดีของวิเศษของประเสริฐจะก็ต้องระวังนะเพราะว่าเมื่อเรามาเจอความความสุขนะหรือความสงบแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกนะความสงบมันก็ไม่เที่ยงนะอุสานี้มาแล้วนะแล้วพอเจอความไม่สงบเข้า เกลียดน่ยเกลียดความไม่สงบนะก็เลยเป็นทุกข์เลยถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเจอความสงบนะชอบนะแล้วก็ติดพอมันเกิดความไม่สงบไม่ว่าจะเป็นความไม่สงบภายนอกเช่นเสียงดังหรือว่าความไม่สงบภายในเช่นจิตที่มันฟุ้งซ่านปรุงแต่งความคิดต่างๆนานาเนคราวนะนี้เพราะความไม่ชอบเนี่ย ไม่ชอบความสงบเนี่ยทำยังไงก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่หลายคนปฏิบัติแล้วมีความทุกข์เนี่ยนะไม่ใช่เพราะว่ามันมีอะไรมารบกวนสร้างความทุกข์กับร่างกายนะแต่เพียงเพราะว่าใจไม่สงบเท่านั้นแหละแต่ก่อนเคยสงบนะแต่ว่าตอนนี้ไม่สงบแล้วจริงๆเนี่ยความ พุ่งสร้างปรุงแต่งในจิตใจเนี่ยมันไม่ได้ก่อปัญหาให้กับเราเท่าไหร่นะแต่ทันทีที่เราไม่ชอบมันนี่แหละอันนี้คือปัญหามันก็เสียงดังเนี่ยนะเสียงดังจริงมันไม่ใช่เป็นปัญหานะเสียงดนตรีเสียงรถยนต์นะเสียงก่อสร้างเนี่ยเรากำลังนั่งสมาธิอยู่มันมีเสียงพวกนี้มารบกวนจริงจริงมันก็ไม่ได้รบกวนเรานะ แต่เป็นเพราะเราไม่ชอบมันพอเราไม่ชอบมั น, เ ร, มมนเราเกลียดมันนะความทุกข์เกิดขึ้นทันทีนะความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเกลียดนะหรือว่ารู้สึกลบหรือว่าชังต่อสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นก็กลับมามีที่พลนะต่อเรามาครอบงําเราทาให้เป็นทุกข์แต่ตัวการที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งนั้น แต่มันคือความรู้สึกลบความรู้สึกเกลียดให้เราสังเกตให้ดีๆนะว่าความเกลียดเนี่ยนะจะเป็นเพราะเกลียดทุกข์หรือว่าเกลียดเพราะมันไม่สงบก็ตามเนี่ยตัวนี้ตั้งหากคือตัวการที่ทำให้ทุกขนะ์พอเราลองทำใจเป็นกลางๆเถไม่เกลียดมันนะเราทำใจเป็นกลางไม่เกลียดมันนะมันก็ ทำอะไรเราไม่ไดนะ้ความทุกข์ก็หายไปความปกติสุขก็กลับคืนมาอันนี้รวมไปถึงทุกขเวทนาทางกายนะ <c oughs> เช่นเวลาเจ็บป่วยเนี่ยหรือว่าความปวดความเมื่อยเนี่ยหลายคนนะไม่ชอบนะไม่ชอบความปวดความเมื่อยไม่ชอบนะความเจ็บปวด และยิ่งไม่ชอบเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งเกิดความทุกข์ใจมากขึ้นพยายามไปหายามากินพยายามไปหายาระงับปวดมันก็ช่วยได้ชั่วคราวแต่พอยาเอาไม่อยู่เนี่ยนะความปวดเนี่ยทุกเวทนาเนี่ยมันกำเริบนะบางคนนี่ก็ถึงกับกระสับกระส่ายทุรนทุรายเลยนะ ไอ้ความทุรนทุรายจริงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนานะแต่เป็นเพราะใจที่ไม่ยอมรับใจที่ปฏิเสธนะความเจ็บปวดนั้นเราเคยไปแนะนำนะไปเยี่ยมผู้ป่วยหลายคนนะที่เขามีทุกขเวทนาทางกายแล้วก็บอกเขานะว่าอย่าไปรังเกียจความเจ็บความปวดนะ ให้มองเขาเป็นมิตรหรือว่าให้อยู่ร่วมกับเขานะให้อยู่ร่วมกับเขานะเหมือนกับว่าเป็นมิตรหรือว่ายอมรับความเจ็บปวดนั้นพอใจมันยอมรับนะไอ้ความทุกเนี่ยมันลดไปเยอะเลยมันมีแต่ความปวดกายนะแต่ว่าใจไม่ปวดใจไม่ทุกข์ละใจที่ยอมรับนะความเจ็บปวด จะยอมรับเพราะถือว่ามันเป็นธรรมดาหรือจะยอมรับเพราะเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ได้นะหลวงปู่ขาวเนี่ยหลวงปู่ขาวนรารโยเนี่ยท่านท่านสอนไว้น่าสนใจมากบอกว่าเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเนี่ยอย่าไปอยากหายนะอย่าไปอยากหายจากทุกขเวทนานะเพราะความอยาก หายจากทุกขเวทนานี่แหละมันจะเป็นตัวทําให้เกิดสมุทยัยซึ่งผลิตซ้ำนะความทุกข์ให้มากขึ้นเวลาเกิดความปวดความเมื่อยนะหรือความเจ็บขึ้นมาเนี่ยแล้วพอเราอยากหายใช่ไหมเราไม่ชอบมันใช่ไหมไอ้ความไม่ชอบเนี่ยก็เป็นอกุศลอยู่แล้วแล้วพออยากให้มันหายแล้วมันไม่หายเนี่ยก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่อย่างที่เราสวดมนต์ทำวัดเช้าเนี่ย ว่าทุกเนี่ยอาการก็คือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์คืออยากมันอยากให้มันหายเนี่ยแต่มันไม่หายอ่ะมันก็เป็นทุกข์เลยนั่นความอยากหายความความอยากจะผลักสายมันเนี่ยนะแล้วมันมันเป็นตัวการอย่างทุกข์นะเพราะมันไม่ไปเนี่ยความเจ็บความปวดนะลวกปู่ขาถบอกว่าเนี่ย แทนที่จะอยากหายจากทุกขเวทนาหรืออยากผลักมันออกไปสิ่งที่ควรทำมากกว่าคืออยากรู้อยากเห็นความจริงของความทุกข์อยากรู้อยากเห็นความจริงของทุกข์นะอยากรู้อยากเห็นความจริงของทุกขเวทนาอันนี้มันจะทําให้เกิดการเจริญในองค์มรรคเมื่อเวลามีความเจ็บความปวดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเพราะอยู่ในท่าใดานาน ก, ก็แล้วแต่หรือว่าล้ม เจ็บไข้ได้ป่วยก็แล้วแต่เนี่ยลองวางใจให้ดีนะอย่าไปเกลียดความปวดอย่าไปเกลียดโรคภัยไข้เจ็บลองวางใจเป็น ก, นกลางๆางดูนะไม่มีความชังไม่มีความเกลียดและการวางใจเป็นกลางเนี่ยนะถ้าเรามองว่าเออมันมันจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะในการที่ทำให้เราได้เห็นความจริงของทุกขเวทนาได้ แล้วเราก็จะเห็นว่าเออมันสอนนะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้กับเราไอ้ความปวดความเมื่อยหรือทุกขเวทนาเนี่ยมันมีประโยชน์นะมันสอนทําให้กับเราตลอดเวลานะแต่ถ้าเราไปเกียดมันซะแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเปิดใจนะเห็นธรรมะจากเขาได้จะเห็นธรรมะจากเขาจะได้ประโยชน์จากเขาเนี่ยเราก็ต้องเปิดใจ เรียนรู้ดูด้วยใจที่เป็นกลางนะแล้วก็จะเห็นนะเห็นความจริงอันนี้เราได้ประโยชน์จากทุกขเวทนานะบางคนอาจจะไม่สามารถจะเห็นแบบนั้นได้นะเพราะว่าการจะทำอันนี้ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมนะต้องอาศัยการเจริญสติปัฏฐานนะถึงจะสามารถเห็นเวทนาโดยที่ไม่เป็น ไม่เข้าไปเป็นเวทนาหรือไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์นะแต่ว่าถ้าเรานะีมองว่ามันเป็นธรรมดาให้ความเจ็บความปวดเป็นธรรมดาไม่เกียดมันยอมรับมันนะไม่พักสายมันนะช่วยได้เยอะมีหมอคนหนึ่งเขาเราว่าเคยได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมผู้ป่วยคนหนึ่งหมอคนนี้เป็นผู้หญิงก็ขอดู ประวัติของผู้ป่วยคนนี้อ่านประวัติแล้วก็หนักใจนะผู้ป่วยเป็นผู้ชายวัยสักสามสิบเกือบสี่สิบเป็นมะเร็งที่ใบหน้ามะเร็งใบหน้านี่เป็นเป็นกันน้อยนะแต่ใครเป็นนี่จะเจอความเจ็บปวดมากผู้ผู้ชายคน น, นี้นี่เป็นมะเร็งใบหน้านี่มันลามไปถึงอมันกินแก้มแล้วก็ ริมฝีปากบางส่วนแล้วก็จมูกด้วยเจ็บปวดมากนะโลงมาเาลงชนิดเนี่ยมันไม่อนุ ญ, ญาตให้ออกไปใช้ชีวิตตามปกติได้นะเพราะว่าถ้าไปเจอแดดเนี่ยมันจะปวดมากเลยเพราะานั้นเนี่ยก็ต้องเก็บตัวอยู่ในในบ้านในอาคารจริงๆคนที่เป็นมะเร็งแบบนี้ก็ไม่อยากออกไปข้างนอกอยู่แล้วเพราะว่ามันน่าเกลียดนะเป็นที่น่ารังเกียจของผู้คน ก็ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านอยู่ในที่ที่แดดไม่แรงและถ้าอยู่ในบ้านคนเดียวเนี่ยนะั้นา น, นานเข้าก็จะเกิดอาการหดถูนะปวดก็ปวดนะไปไหนก็ไม่ได้ก็เกิดอาการหดถูประมาณหนึ่งในสีนะในอเมริกาหนึ่งในสีเนี่ยค่าตัวตายไม่ได้ตายเพราะมะเร็งนะแต่ว่าทํำลายตัวเองเพราะมันทนไม่ได้ ท่าหมอคนนี้เนี่ยพอได้รับมอบหมายไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยแกรู้สึกหนักใจเพราะไม่รู้ว่าคนไข้นี่จะอาละวาดแกกลาดเกลี้ยวแกแค่ไหนแต่พอไปถึงก็แปลกใจนะประหลาดใจนะเพราะคนไข้นี่แกไม่ได้มีอาการแบบนั้นเลยนะแทนที่จะกลาดเกลี้ยวนะกับซักถามหมอว่าเป็นยังไงสบายดีไหมาการถามแบบนี้ก็แสดงว่าคนไข้นี่นะ ก็มีความใส่ใจคนที่จะใส่ใจผู้อื่นได้เนี่ยมันก็ต้องไม่มีความทุกข์นะไม่มีความไม่มีอารมณ์กลัดเกลียวหมอก็แปลกใจทําทไมคนไข้คนนี้เนี่ยทั้งที่ปวดมากเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีอาการก้าวร้าวอย่างคนไข้ทั่วๆไปที่มีความเจ็บปวดคุยไปคุยมาแกก็บอกว่าไอ้ที่แกเป็นโรคเนี่ย สงสัยเป็นเพราะไหนแต่ก่อนที่แกเป็นวัยรุ่นเนี่ยแกเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเสเพลมากนะกินเหล้าสูบบุหรี่นะใช้ชีวิตแบบเสี่ยงนะเสี่ยงต่อสุขภาพเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยแล้วแกก็ใช้ชีวิตแบบนี้มานะตลอดแม้กระทั่งแต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็ยังอยู่แบบนี้เนี่ยจนกระทั่งภรรยาก็ขออย่าเอาลูกไปเลี้ยงเอง การที่แกใช้ชีวิตแบบนี้คงเป็นเหตุทำให้แกเป็นมะเร็งนะคือยอมรับได้นะยอมรับว่าเนี่ยเป็นพาะการกระทาของเราแต่นั่นไม่ใช่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้แกยอมรับความเจ็บป่วยได้นะสิ่งสำคัญคือว่าแกเล่าว่าเนี่ยทุกวันนี่แกไม่มีอะไรทำนะนอกจากว่ารูปแกก็ดูโทรทัศน์แล้วก็ช่องที่แกดูเป็นประจาคือ CNN นะ เซียนอันนี้มันเป็นโทรทัศน์ข่าวนะยิบสีชั่วโมงและข่าวที่แกดูที่แกเห็นเนี่ยนะมันก็มีแต่เรื่องร้ายๆกันเยอะแๆนะอุบัติเหตุโรคระบาดสงครามการก่อการร้ายภัยธรรมชาตนะิแผ่นดินไหวแกดูๆไปนะแกก็ได้คิดนะว่าความทุกข์นี่เป็นธรรมดาของมนุษย์เลย ไม่มีใครที่หนีความทุกข์พ้นไม่ว่ารวยหรือจนผิวขาวหรือผิวดำแล้วแต่ก็เห็นต่อไปโยงมาถึงตัวเองว่าเออไอ้ความเจ็บปวดของเราเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาเหมือนกันไอ้การที่แกยอมรับแบบนี้ได้เนี่ยมันทําให้แกไม่รู้สึกลบกับความเจ็บปวดหรือว่าความป่วยไข่ของแกยอมรับได้นะไม่เกลียดแล้วเพราะเห็นว่าเป็นธรรมดา ไอ้การที่แกยอมรับโรคมะเร็งที่เกิดกับแกได้รวมทั้งยอมรับความเจ็บปวดเนี่ยมันช่วยลดความทุกข์ในใจไปได้เยอะเลยนะมันเหลือแต่ความทุกข์กายนะแต่ว่าความทุกข์ใจเนี่ยเหลือน้อยมากแล้วแกก็ตั้งความหวังว่าเนี่ยจะพยายามดูแลตัวองให้ดีที่สุดนะไม่ใช่เพื่อจะได้ไม่ตายนะแต่เพื่อห้ได้มีเวลาอยู่กับลูกให้นานที่สุดเพราะว่า ไม่เคยได้มีเวลาอยู่กับลูกเลยนะนึกถึงลูกก็อยู่เพื่อลูกกันนะหมอบอกแกอยู่ได้ไม่เกินหเดือนนะแกก็อยู่ได้เป็นปีนะเรียกว่าคุณภาพชีวิตก็ดีแล้วก็ไม่ได้ตายเวลาตายก็ไม่ได้ทุลนทุรายอะไรไอ้ตอนอยู่แกก็มีความปกติสุขนะพอสมควรกับอัตภาพอันนี้มันเป็นชี้เลยนะว่าคนเราเนี่ยเมื่อเมื่อเจอทุกข์แล้วเนี่ยนะ อย่าไปเกลียดทุกข์นะเมื่อเจอความเจ็บปวดจะไปเกลียดความเจ็บปวดในเมื่อมันอยู่กับในเมื่อมันมันมันจะไม่หนีไปจากเรามันจะอยู่กับเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเป็นมิตรถ้าเกลียดเมื่อไหร่นี่นะความทุกข์ใจมันเล่นงานทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้แต่ทางใจเนี่ย มันก็เป็นธรรมดาของมันนะแต่พอเราเกลียดมันเมื่อไหร่ไม่ชอบมันเมื่อไหร่เนี่ยนะม่ว่าจะเป็นแดดร้อนนะม่ว่าจะเป็นเสียงดังนะม่ว่าจะเป็นรถที่ไม่ถูกปากหรือความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นในใจพอเราเกลียดมันปุ๊บเนี่ยเราทุกข์เลยนะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะปรารถนาความสงบนะพอมีความสงบแล้วก็ติดในความสงบนั้นเพราะมันเป็นความสุขที่ป็นนิ่ ก็รักมันยึดติดในความสงบ ล, ลังเกียดความไม่สงบไม่ว่าสงบภายนอกคือเสียงดังหรือว่าไม่ความไม่สงบภายในคือความฟาุ้งซ่านและพอเกิดเสียงดังขึ้นมาก็เนื่องจากไม่ชอบเนี่ยเกลียดมันไงก็เลยทุกข์เลยหรือวเวลาเกิดความฟาุ้งซ่านขึ้นมาในใจแล้วไม่ชอบมันนะทุกข์เลยนะทีจริงสางสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นธรรมดานะ เสียงดังก็เป็นธรรมดาความฟุ้งซ่านก็เป็นธรรมดาลองวางใจเป็นกลางกลางดนะูอย่าไปเกียดเขานะในทำนองเดียวกันนะไอความสุขที่เกิดขึ้นเนะี่ยแม้ว่ามันจะทำให้เกิดความผ่องสายเบิกบานก็จะไปรักมันนะจนกลายเป็นความหวงแหนยึดติดเพราะถ้าเป็นฉชนนั้นก็เตรียมทุกข์ไว้ได้เลยนะเนื่องจากมันเองก็ไม่เที่ยง นั้นผู้ก็พูดนะนะว่าความสุขเนี่ยรักมันได้นะรักมันเถิดนะถ้าเกิดมันเที่ยงนะรักมากๆเลยถ้ามันเที่ยงหรือความทุกข์เนี่ยเกลียดมันได้เลยนะถ้าเราสามารถจะหนีมันไปได้ตลอดแต่ถ้าความสุขมันไม่เที่ยงเนะี่ก็อย่าไปรักมันมากนะไม่งั้นจะผิดหวังส่วนความทุกข์เนี่ยในเมื่อมันจะอยู่กับเราหรือเราไม่มีทางหนีพ้นนะก็อย่าไปเกลียดมัน เป็นมิตรหรือว่าวางใจเป็นกลางนะกับสิ่งนั้นนะมันก็ช่วยทำให้ใจไม่ถูกได้คำนีพวพูดกันเท่านี้น ะ, ะกราบครับ